ระยะมันห่างออกไปในพงเถาวันเบื้องหลังโดยห่างจากคณะทั้งหมดประมาณยี่สิบสามสิเมตรจะเป็นช่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าด้วนแน่นอนด้วนไม่อะไรเกิดขึ้นเลยทำไมถึงมายืนขวางอยู่อย่างงั้นดารินร้องถามออกไปด้วยความพิศวงขีดสุด มันเบียงสีสะรงมาทางทุกคนชูงวงสูงแล้วร้องดังลั่นมาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบมันอาจจะตอบคำของดารินหรืออาจจะแผดเสียงมาด้วยลักษณะการแบบอื่นไม่มีใครสามารถฟังเข้าใจได้รู้แต่เพียงว่ามันมักขวางดักทางแน่ๆ่ชนิดจะไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้อย่างเด็ดขาดเอ๊ยยุ่งละสิ เสียงที่มันร้องแวทแบบนี้มันฟังไม่เข้าท่าเลยชายันพูดลอดริมฝีปากออกมาขยับไรเฟิลในท่าเตรียมพร้อมใครอยายิงหรือทำอะไรมันเป็นอันขาดนะฉันจะเข้าไปใกล้ๆมันเองป ล, ปล่อยไปครับพี่ใหญ่น้อยจะเข้าไปหามันดารินสะบัดแขนพี่ชายใหญ่ออกมาอย่างเต็มไปด้วยความกล้าหาญมั่นคง ไม่ว่าเจ้าด้วนจะมีปฏิกิริยาที่ไม่น่าไว้วางใจเช่นไรยังไงยังไงหล่อนก็ไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่ามันจะทําอันตรายอะไรหล่อนหรือคณะทุกคนเทถาจะร้องห้ามยังไงก็ไม่ฟังเสียงไม่เห็นว่าจะทัดทานน้องสาวไว้ไม่ได้แนะ่เทถาจึงโบกมือกับทุกคนยกเว้นพวกลูกหาดซึ่งให้หยุดรอยอยู่ก่อนเดี๋ยวพากันสาวเทาว้าตามหลังดารินเข้าไปติดติไรฟุน้น พร้อมอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นนานอินเชฐาอนุชาและชยังทั้งหมดแล่นตามดารินเข้าไปเป็นหน้ากระดานพร้อมที่จะลั่นกระสุนได้ทันทีถ้าหากเจ้าด้วนสัแดงอาการอันใดอันไหมายถึงจะเป็นอันตรายกับดารินในขณะนี้จากท่าทีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของมันราชสกุลสาวแล่นเข้าไปถึงก่อนเป็นคนแรกแล้วเรียกมันอยู่ตลอดเวลา เจ้าด้วนยืนรังงานจังก้าโดยไม่ขยับขยืน่นเชิดคอปลายงางงามทั้งคู่เสรยขึ้นแล้วงวงก็ยังชูสูงอยู่เช่นนั้นดารินเข้าไปจนเกือบคิดในขณะที่ไรเฟิลเบื้องหลังอีกสีกระบอกประทับอยู่กับไหล่แล้วเตรียมที่จะระเบิดประสานกันได้ทันทีจากสายตาที่ไม่ยอมกระพริบของทุกคน ต่างเห็นว่ามันลดงวงลงช้าแต่อย่างแผ่วเบาที่สุดลงบนไหล่ของดารินแล้วออกเสียงร้องเบาๆในลำคอในขณะที่หล่อนก็พูดอะไรกับมันเร็วหรือไม่มีปฏิกิริยาว่าจะทำร้ายอะไรทั้งสิ้นแล้วต่อมาก็ใช้ปลายงวงดุนหญิงสาวให้พั ง, งะถอยหลังออกมาเฮ้ยเจ้าด้วน นี่มึงเป็นอะไรไปนั้นอินตาวัตเพลนกาเอาไปยืนบังหน้าก็ถูกปลายงวงปัดให้กระเด็นเซะเาะเซาะออกมาอีกคนนึงดูเหมือนจะแรงกว่าดารินแล้วร่างของแกก็หัวสุงัวสุนมาปะทะเข้ากับเชืทาและชายันส่วนดารินก็ร้องบอกทุกคนเสียงหลงมาว่าอย่ายิงนะอย่าทำอะไรมันทั้งสิน้นทุกคนประทับปืนคุมเชิงประจันหน้ากันแบบเผาขนเช่นนั้นอย่างงุนงง ตัินอะไรไม่ถูกมันไม่ได้ทำร้ายแต่มันขวางทางเสียงนั้นอินดาขามวงฉงเฉียงแล่นปราดเข้ามาอีกตะวาดสุดเสียงมึงไอ้ด้วนเลีกยทางไปเดี๋ยวนีนะไมเดี๋ยวพัดสัดหน้าแงก้นจำเบ้าไว้เท่านั้นละ่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเกรงใจครูพรานแม้ว่าแกจะมีเวทมนต์คาถาสะกดช้างเช่นไรก็ตาม เป่าลมจากปลายงวงพรวดเข้าไปที่หน้าฝุ่นบริเวณนั้นคลุ้งตลบไปหมดนันอินพังหะหลังกลับมาอีกทุกคนอยู่นิ่งๆก่อนขอให้ฉันพูดกับมันเองดารินร้องสุดเสียงอยู่เช่นนั้นเพราะกลัวใครในหมู่พวกของหลอนรวมทั้งนานอินด้วยจะระเบิดกระสุนเข้าใส่ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดารินกัดริมฝีปากแน่นจ้องตาอันเล็กตีของมันซึ่งแลมาที่หลอนเหมือนจะบอกความในอะไรบางอย่างแล้วด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงที่สุดหลอนเดินช้าๆเข้าไปใกล้มันอีกครั้งช้างใหญ่ยื่นงวงมายันอกหลอนดารินลูบที่ปลายงวงนั้นแล้วกอดงวงไว้ ด้วนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเธอมายืนขวางพวกเราอยู่อย่างนี้ทําไมมีอะไรจะเป็นภัยต่อเรารอคอยอยู่เบื้องหน้าอยังงั้นเหรอขดฉสารมหือมาที่มีสัญชตาตยานลึกลับอันเป็นมิตรกับหล่อนเป็นพิเศษออกไปไม่อาจจะโตโตตอบได้คงมีแต่อาการอันนุ่มนวลอ่อนโยนของมันเท่านั้นที่ใช้ปลายงวงสูดดม ก้าวเคลียอยู่ที่ใบหน้าของหลอนแล้วก็ผลักสายเบาๆเชิงให้หลอนถอยหลังโดยตัวมันเองก็ออกก้าวช่มช้าเดินตามมาด้วยสองสามก้าวอาการที่ทุกคนเห็นเช่นนั้นทำให้ต้องลดไรเฟื้นลงจากท่าเตรียมยิงเอ๊มันพิลึกแล้วล่ะครับพี่ใหญ่เท่าที่เห็นอยู่นี่มันยังรักน้อยแล้วก็ยังเชื่องอยู่เหมือนเดิม มันมีอาการเหมือนจะไล่น้อยและพวกเราทุกคนให้ถอยหลังเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอีกทีอนุชาพูดโดยเร็วและร้องสั่งไปทางนานอินลุงอินไหนลองแยกขึ้นเนินอ้อมทางหลีกมันขึ้นไปสินันอินปฏิบัติตามคําสั่งของพรานชดทันทีตาแกจับอยู่ที่มันขม็งแต่แยกจากเส้นทางดานอ้อมไตขึ้นเนินหินเพื่อจะเดินหลีก อ้อมขึ้นไปเจ้าด้วนตายหางตายเห็นเช่นนั้นก็ส่งเสียงปรันขึ้นอีกรักออกจากนารินทันทีแล่นขึ้นเนินหินของเชิงเขาไปสกัดดักหน้าหนานหินไว้อีกใช้งวงควาก้อนหินเครืองๆขนาดครกตําพริกขึ้นมาคว้างตู้ไม่ดักหน้าหนานอินไว้หินเล็กกระจิ๋วหลิวสําหรับมันแต่มันก็ใหญ่พอสมควรสําหรับมนุษย์กระทบกระโคดินใหญ่แตกกระจาย ห่างจากเบื้องหน้าของนานอินเพียงสามวาเท่านั้นแสดงเจตจํานงแน่ชัดว่ามันจะไม่ยอมให้ใครในคณะผ่านเส้นทางนั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็เอาจริงเอาจังทําเอาครูพรานชังนะตะลึงไปอีกแกรู้ว่ามันไม่เจตานาจะคว้างให้ถูกตัวแกแต่ใช้วิธีสกัดกั้นไว้ด้วยหินที่คว้างมาก่อนนั้น ทั้งหมดจ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแปลกใจเหลือที่จะกล่าวได้นายมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสียแล้วล่ะไอ้ด้วนมันมาสกัดห้าไม่นานอินพาพวกเราไปตามจุดหมายที่ตั้งใจไว้ความจริงปากถ้ำนาคราชมันก็อยู่ใกล้แค่นี้เองลุงมารวมกันก่อนเถอะลุงอิน เทพถาป้ายเงือบนหน้าผักร้องบอกหนานอินขึ้นไปเสียงเคร่งขรึมพรานเท่าชั้นครูตายกลับลงมาตามเดิมและบัดนี้ทุกคนก็ลงมาเผชิญอยู่เบื้องหน้าของเจ้าด้วนอีกครั้งห่างกันแค่ไม่กี่ว่าโดยมีร่างกายอันสูงใหญ่ชะเงือมยืนรังงานบังเส้นทางอยู่เฮ้ยสหายด้วนถ้าเองพูดภาษาคนได้ซะหน่อยเดียว เราก็จะทําความเข้าใจกันได้มากกว่านี้แตนี่เองก็ดันพูดภาษาช้างพวกข้าก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจอาการของเองด้วยเชื่ถากล่าวออกมาแล้วนิถึกคิดยังไงกลางเสนาธิการของคณะอันเป็นพี่ชายใหญ่หันไปกระซิบถามน้องชายผู้ยืนรีตาจ้องมันอยู่เหมือนจะอ่านบางอย่าง อาการของมันจะไม่ยอมให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างนีแต่จะเป็นเพราะอะไรมันก็เดายากนะนี่ในลุงอินบอกว่าปากทางที่เราจะอาศัยเดินมุดเข้าไปอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ใช่เหรอเชษฐาถามไปทางนานอินกะชี้มือเข้าไปในป่าเถาวันที่เห็นอยู่เบื้องหลังเจ้าด้วนแต่ละเส้นของเถาวันที่ถักพันกันอยู่มีขนาดใหญ่แต่ละเส้นก็เท่าโคนขาม้วนถักพันกัน เราก็ใครมาบรรจงสารไว้เป็นดงเถาวันทึบแต่ขณะนี้เห็นแต่ลำต้นโกรนของมันปราศจากใบอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งของสถานที่แสดงว่าฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลานานก็เข้าไปในดงเถาวันนั้นอีกพักเดียวก็จะถึงปากถ้าที่ซ่อนอยู่บางฤดูมันก็จะทึบเขี้ยวชะอุ่มไปหมดบางฤดูมันก็แห้งกรูนเหลือแต่ลำต้นอย่างที่เห็นอยู่นี่ ถ้างั้นหยุดก่อนได้ไหมขอฉันได้ทําความเข้าใจกับมันสักหน่อยเถอะดารินร้องบอกพรรคพวกทั้งหมดเอาเอาถ้าเธอคิดว่าเธอจะพูดกับมันรู้เรื่องก็เอาชายันพยักหน้าออกมาเพราะแน่ละในบรรดาบุคคลผู้ร่วมคณะมาด้วยกันทั้งหมดใครล่าที่สามารถจะยังซึ้งในสัญชาติยานของเจ้าด้วนได้ดีเท่ากับดารินวราริน ระหว่างที่ทุกคนยังรวมกลุ่มชะงักกันอยู่หญิงสาวเดินเข้าไปหามันอีกครั้งคราวนี้เจ้าด้วนยืนนิ่งงวงท่อต่ำสงบห้อยลงดารินเดินเข้าไปจนถึงตัวมันลูกที่งวงนั้นด้วนฉันรู้นะว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเธอถึงได้มาปรากฏตัวขวางหน้าพวกเราอยู่เช่นนี้ ทำอะไรสักอย่างก็ได้ทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าในทิศทางที่พวกเราจะไปหล่อนกระซิบแผ่วเบามือลูบไล้อยู่ที่งวงศากนั้นด้วยน้ำมืออันปรานีรักษนิทเจ้าด้วนยังคงยืนซึมอยู่อีกพักใจดารินพูดซ้ำซากอยู่เช่นนั้นปากหล่อนพูดเป็นถ้อยคำ แต่กระแสจิตก็พยายามจะส่งเข้าถึงจิตของมันให้ได้ขณะเดียวกันหล่อนก็มองไปที่คอของมันยังเห็นทั้งกระดึงและห่อผ้าที่หล่อนห่อระเครื่องรางไว้ให้แก่มันยังคงติดหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยขาดวิ่นตกหล่นหายไปด้วนไม่มีใครในพวกเราเข้าเชื่อเหมือนอย่างฉันเชื่อหอก ว่าถึงยังไงเธอก็จะไม่มีวันยอมผลักทิ้งฉันไปไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะกล้าตามฉันเข้ามาร่วมเป็นร่วมตายอยู่ในนรกดําแห่งนี้อันมันก็ไม่ใช่ถิ่นของเธอแต่ฉันยังเชื่อมั่นเสมออาการของเธอประหลาดมากนะด้วนแต่ขอให้ฉันและพวกเราได้รู้กระจ่างหน่อยเถอะว่าทําไมเธอถึงได้มาขวางหน้าเราไว้แบบนี้ เหมือนจะเข้าใจในภาษาที่หล่อนพร่ำพูดกับมันช้างใหญ่อันรพินสั่งชาวป่าทุกคนไว้ไม่ให้ใครทำร้ายและบัตรนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในคณะที่จะร่วมเป็นร่วมตายด้วยถึงขนาดที่บุกตามเข้ามาจนเขตนรกดำค่อยๆหมุนตัวกลับด้วยอาการเชื่องช้าดูจะมีอาการเสื่องซึมอยู่ในทีแล้วออกเดินแช่มช้านาเข้าไป ยังป่าเถาวันแห้งซึ่งเป็นเวงหลังคาขนาดใหญ่เรากับจะเป็นห้องประชุมนั้นทันทีดารินหันกลับมายัางทุกคนเหมือนจะขอความเห็นตามมันไปแต่ให้ระวังตัวขีดสุดอนุชาวราฤทธิ์โบกมือกับทุกคนพูดเสียงแผ่วต่าแล้วรั้งไหลน้องสาวเล็กให้มาอยู่เบื้องหลังรวมกลุ่มกระเชิฐาและชยยัน ตัวเขาเองและนานอินสองคนเป็นคู่หน้าที่ก้าวตามหลังเจ้าด้วนผ่านเข้าไปในคูหาอันสลับซับซ้อนของจิงเขาวันยักษ์เหล่านั้นมันบายหน้าไปทางไหนนี่เราจะรู้ไหมสิงเชษฐากระซิบถามขึ้นนานอินตอบแผ่วๆมาว่าปากทำนากราดที่เราจะเข้าไปนั่นแหละนายกอยทุกคน ช่วยกันสังเกตรอบๆตามทางที่ผ่านด้วยทั้งหมดประสาท ต, ตื่นพร้อมใจเริ่มเต้นแรงอย่างประหลาดนกของไรเฟิลทุกกระบอกบัดนี้ขึ้นสปริงพร้อมที่จะกระแทกแก๊กท้ายกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงได้ในทันทีที่เหนียวไกขยินนำพวกลูกหาบค่อยๆย่ อ, ยยองตามหลังมาพวกนั้นก็ปลดปืนประจำตัวจากไหลมาถือไว้เช่นกัน ทีหลักเก้าทีหลักเก้าที่คณะทั้งหมดย่องตามหลังการนำของเจ้าดวดลึกเข้าไปเป็นลำดับในดงเถาวัลแห้งขนาดมาคือมานั้นท่ามกลางแกงโขดหินและพื้นอันเป็นดินลูกรังสีแดงฉานราวกับใครม า, าศาสตร์สีย้อมไว้บรรยากาศเงียบ คง ม, มีก็แต่เสียงฝีเท้าของคนทั้งส6หคนที่ย่างไปอย่างแผ่วเบาเท่านั้นส่วนอาการเดินของเจ้าด้วนไม่มีเสียงใดๆเลยมันใช้งวงมวนเข้ามาจับที่กระดึงกลองไม้ไผ่ที่คล้องคออยู่เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเสียงอันแสดงถึงความฉลาดขีดสุดของมันชนิดที่จะเคลื่อนไหวไปโดยไม่เกิดเสียงใดๆ ก็สามารถทำได้ถ้าเป็นความต้องการของมันเองพอล่วงเข้าเขตป่าเถาวันแห้งขมวดพันประสานกันราวกับคูหาห้องเล็กห้องน้อยและห้องถงใหญ่อันเป็นฝีมือสถาปนิกทางธรรมชาตินั้นนานอินก็หยุดชะงักอีกครั้งสะ ก, กิดโดยแรงให้พรานชดมองไปยังพงเถาวแห้งแถบหนึ่งเห็นอยู่เบื้องหน้า เยืองไปทางด้านตะวันตกทุกคนมองเป็นตาเดียวรอยไม้เกรียมเป็นทางกินแนวตลอดมาจากทิวของเถาไม้เลื้อยยักษ์นั้นไกลลิฟมาจากไหนไม่ทราบได้เราว่ามีใครเอาท่อนสุงขนาดใหญ่ที่กำลังติดไฟโชนลากผ่านช้าๆมาตามเถาเคลือเหล่านั้นบางแห่งมีแต่รอยไม้กรอบเกรียม และบางแห่งก็แสดงว่าได้เกิดไฟลุกเป็นฐานแต่ทว่าขณะนี้ดับมอดไปแล้วและพื้นเบื้องล่างอันเป็นดินปนหินก็มีริ้วรอยดำไห้เป็นทางไปเช่นกันมันแสดงถึงความร้อนสูงจัดทีเดียวที่ผ่านไปทางตัดหน้าทุกคนไปเฮ้อะไรกันนี่ชยันอุทานออกมาอย่างตกใจอนุชาแยกเขี้ยว รีตาลงเขถาจ้องคำ ม, มิงอย่างเพ่งพิษส่วนนั้นอินหน้าซีดเผือดดารินนั้นเพียงแต่มองอย่างแปลกใจเท่านั้นเอ๊ะไฟป่ากินแดนเข้ามาถึงดงเถาวันนี้ด้วยเหรอแต่ทำไมถึงเป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปอย่างนั้นน่ะระหว่างที่อดีตพรานชดเพ่งไปยังต้นทางที่มาซึ่งลึกเข้าไปในดงนั้น และกินแดนผ่านหน้าไปในระยะห่างราวสิบเมตรโดยเลี้ยวลัดตัดพงไปทางซี่ซ้ายมือนั้นอินก็ทำปากหมุบมิบมุบมิบเหมือนจะร้อาคมอะไรของแกแล้วหันมาพยักหน้าเรียกเชษฐาชยันผู้ยืนงงอยู่ทางด้านหลังให้เข้าไปใกล้กระซิบเบาที่สุดเจ้านายอรอยเลือยไปของสังหาชัดเลย ทุกคนมองไปที่รอยไม้เป็นทางเหล่านั้นแล้วหันมาดูหน้ากันเองระหว่างนั้นเจ้าด้วนผู้นำทางมาให้พบกับร่องรอยประหลาดนั้นหยุดหมุนตัวมีอาการเหมือนจะรีรออยู่รู้แน่ใจหรอท่านหัวหน้าคณะพี่ชายใหญ่ถามในเสียงกระซิบเช่นเดียวกันรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวๆนาขึ้นมาทันที ไม่มีอะไรที่จะทำรอยอย่างนี้ได้รอกนายใหญ่นานอินเคยพบเห็นมาก่อนแล้วสมัยก่อนนี่ก็เพียงแต่เห็นรอยอย่างนี้เท่านั้นอย่าว่าแต่เถาวันแหงนี้เลยตอ้พื้นหญ้าสดหรือป่าเขียวๆ ย, ยังไม่เป็นทางไม่มีเหลือลุงแน่ใจหรือว่าเป็นสัตว์ชยันถามมาบ้างเสียงแหบตำ่ำสีหน้าปั้นยากที่สุด นายทหารน้ า, น า, นา Iím อินก็จักประเพทไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรเพราะไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีแล้วก็ไม่อยากจะเห็นด้วยก็แปลว่าเ้าผ่านมาทางนี้ความร้อนจากตัวเขาจะเกิดด้วยอะไรก็ตามแต่ทำให้รอยที่ผ่านไปไม่เกรียมไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมครูพราพ hmm นผู้เฒ่าตอบไม่ได้ นอกจากยิ้มออกมาอย่างแห้งแรงที่สุด พ, พึมพำไปอีกอย่างหนึ่ว่าเจ้าด้วนมันรู้มันถึงได้มาดักหน้าเราไว้ไม่ให้มาผ่านทางนี้ถ้ามันจะไม่เข้าทีเส้วละนายพอจะตรวจ ด, ดูร่องรอยได้ไหมว่าผ่านไปกี่วันแล้วเทถาสอบถามต่อไปจักรอยไหม รอยขี้เท่าบางส่วนของเถาวันพวกนั้นเขาก็น่าจะลื้อผ่านไปเมื่อสองสามวันนี่เองอย่างเดียวกับรอยไฟไหม้ทุ่งที่เราพบมาแล้วนั่นแหละว่าแล้วแกก็ขยับเข้าไปตรวจ ด, ดูรอยไหม้เตรียมตามกิ่งเถาวันนั่นใกล้ๆเพื่อพิสูจน์แต่อนุชาคว้าแขนไว้อย่าลุงอย่าเข้าไปใกล้รอยไหม้ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่ในรอยไหมเกรียมเหล่านั้นก็ได้สังเกตดูสิขนาดเจ้าด้วนมันยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยระหว่างพรานคู่ชีพชะงักอนุชาหันมาทางพักพวกพี่น้องบอกมาเสียงต่าๆว่ามันอาจจะมีกรดหรือสารเคมีอะไรเป็นพิษตกค้างอยู่ก็ได้ครับเพราะยังเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนักผมว่าพวกเราอย่าพยายามเฉียดเข้าไปใกล้กว่าดี กวนี้ดีกว่าขนาดดืนอยู่ห่างๆแล้วรอยไม้ดับมอดไปแล้วผมรู้สึกเหมือนเรายือนอยู่หน้าเตาไฟองนั้นใครรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมใช่นะมันร้อนระอุยังไงบอกไม่ถูกไอ้จะว่าอุปทานก็ไม่เชิงนะชายันเขย่าคอเสื้อตนเองแล้วทุกคนก็ยิ่งเหงื่อท่วมจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวอีกครั้ง เชตาใช้สัญญาณชูนิ้วขึ้นสูงแล้วดีดโดยแรงทันทีทุกคนมองมาที่เขาก็เห็นสัญญาณจากเสนาธิการของคณะโบกมือให้พระถอยห่างรอยที่เหมือนมีซุงใหญ่ติดไฟลากผ่านหน้านั้นโดยถอยอไปอีกจะด่วนเองขนาดเป็นสัตว์ใหญ่แท้ก็ยังกระสับกระส่ายดูท่ามันจะไม่เป็นสุขนะักหมุนวนอยู่ตรงนั้นพอเห็นฝ่ายมนุษ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 ลอินประโยคหลังหลอนหันมาถามอดีตพรานชดกับครูพรานผู้เฒ่าซึ่งทั้งสองก็ยังอึ้งงานอยู่ชนิดตัดสินใจยังไงไม่ถูกขณะนั้นเองขยินผู้ด้อมดอมมองมองอะไรอยู่ท้ายขบวนสุดก็ย่องกริบเข้ามากระสิบร้อนรนบอกทุกคนว่าทางด้านโน้นไม่ห่างนะมีดินโป่งใหญ่ร้อยควายป่าลงมากิน แล้วก็มีลมโคลนด้วยรอยของมันแล่นตเตลิดลงไปในทุ่งล่างอย่างกระทันหันทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนานินไปดูเองครูพรานบอกแล้วพยักหน้าให้ขยินนำไปโดยเร็วขณะที่เชษฐาชายันอนุชาและดารินตอนพวกลูกหาให้ห่างร่องรอยเหล่านั้นออกมาอีกเจ้าด้วนก็พลอยถอยร่นเข้ามาร่วมคณะอยู่ด้วยเรากับจะเป็นช้างเลี้ยงอันร่วมทางมาด้วยเหมือนเดิม แต่คราวนี้มันไม่ทําเสียงใดๆทั้งสิ้นนอกจากสงบนิ่งนี่กลางเธอคิดยังไงเรื่องนี้เฆถาขอความเห็นน้องชายในฐานะที่เป็นมักคุเทศนำทางอดีตพรานชดเอามือขยี้ปลายคางช้าๆระเดี๋ยวรอความความเห็นลุงอินอีกครั้งดีกว่าครับพี่ใหญ่ผมเองถึงแม้จะเคยบุกบันผ่านป่าดำมาก่อนแล้วแต่ในสมัยที่ผมไปกะลุงอิน ก็ยังไม่พบอะไรที่มันแปลกประหลาดพิสดารเท่ากับคณะของพี่ใหญ่ที่ไปพบกันมาแล้วมันเป็นอาณาจักรมืดที่เราไม่สามารถจะทํานายอะไรได้ถูกเลยแล้อันตรายทุกฝีก้าวย่างจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติตอนนี้ผมก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ขอยอมรับครับว่ะเจ้าด้วนของน้อยมันทําหน้าที่เป็นมักคคุเทนําร่องคอยบอกเหตุเตือนให้เราทราบจริงๆ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 ที่มันจะเป็นสิ่งบอกเหตุเตือนให้เราหันหลังกลับหรือเตานี่ชยันเอ่ยขึ้นดารินสันศีสั่งฉันว่าถ้าจะเป็นสิ่งบอกเหตุก็จะบอกเหตุให้เราเปลี่ยนทิศทางให้ถูกต้องเท่านั้นนี่เป็นความมั่นใจของฉันนะท่ามกลางความเงียบงนันเดาสิ่งใดไม่ถูกคาดคิดไปถึงสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ ทั้งนั้นอินและขยินก็ย้อนกลับมาอีกครั้งอย่างเร่งด่วนนายกิ้งอย่างเจ้าขยินมันว่าลงจากมอนี่ไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นบริเวณดินโป่งใหญ่มากมีปลักโครนขนาดใหญ่เราก็บึงโครนรอยมาหิงสาฝูงใหญ่นับไม่ถ้วนลงกินและเกลือกปลักกันอยู่ที่นั่นแล้วจูจๆพวกมันก็เพ่นตะลิดกันไปทั้งขลุงเลย ลงทุ่งแฝกที่แวดล้อมอยู่รอบขุนเขานี่มันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่ทําให้มันตื่นตกใจหนีภยัยในภัยที่ว่านี่ก็ไม่ใช่อะไรการเลื้อยมาของสางหาที่เราเห็นรอยอยู่นั่นแหละไม่มีสัตว์อะไรจะทนรอเจอหน้าสิงประหลาดนี่ได้หรอกเพียงแค่กระสาไอร้อนและพิกจากตัวที่แผ่รัศมีออกไปเท่านั้นสัตว์ทุกชนิดก็เพ่นกันกระเจิงแล้วเท่าที่นานอินรู้มา ลุงอินดารินเอ่ยขึ้นเสียงเรียบอย่างไม่ครั่นคร้ามอะไรทั้งสิ้นสติของหล่อนมั่นคงดีที่สุดในขณะที่ทุกคนดูจะกระสับกระส่ายถ้าลุงพอจะอธิบายให้กระจ่างได้มากกว่าที่อธิบายมาแล้วฉันอยากจะรู้จักสิ่งที่ลุงเรียกว่าสางหาให้มากกว่านี้นะนันอินยิ้มเฟื่องฟืดที่สุด นายหญิงก็เป็นคนมีวิชาอยู่เหมือนกันเพราะร่ำเรียนมาจากนายรอพินยิ่งกว่านั้นก็มีอร า, ารหันหลายองคุ้มตัวอยู่เอาไว้เวลาที่สงบกว่านี้นายหญิงลองนั่งถูกดูอาจจะมองเห็นได้ดีกว่าที่นานอินจะบอกเพราะนานอินบอกแล้วว่าไม่เคยพบเห็นเคยเห็นก็แต่รอยเท่านั้นแล้วก็เห็นเพียงครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ในชีวิตที่เดินอยู่กลางดงลึกของหนานอินและเวลาลุงพบรอยลุงทำยังไงกดจบมือบูชาคารวะสมาทษสิบนิ้วต่างถูกเทียนภาวนาขอให้เปิดทางขออย่าให้เผชิญหน้าพบหินและไม่คิดที่จะใช้วิชาอาคมอะไรเข้าต่อต้านเขาทั้งสิน้นนอกจากอย่างเดียวขอความเมตตา ขอสวัสดีภาพในแก่ชีวิตเท่านั้นแกบอกมาเสียงแหบแปงเท่าที่ฉันเห็นอยู่นี่ดารินเอ่ยช้าๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะแต่มีธาตุเป็นเตโชก็คือธาตุไฟนั่นแหละไฟจากบาดาลขุมที่ลึกที่สุดเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆเลย สางหาที่ลุงเออยเรียกเขาอะจะเป็นไปได้ไหมที่เรารู้จักกันในโลกอีกโลกหนึ่งมีชื่อว่านาคีหรือพญานาคนานอินไม่รู้นานินร่ำเรียนไปไม่ถึงไอ้จะใช่หรือไม่ใช่มันก็ได้ทั้งนั้นแหละนายหญิงพี่ชายและเพื่อนหันไปทางหล่อนเป็นตาเดียวเชษิถาถามว่า นี่น้อยมีอะไรที่ทําให้เธอพูดอย่างเงี้ยก็เซนพิเศษสิคะที่น้อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันการเดินทางมาในครั้งเนี้น้อยมีอะไรแวบขึ้นในดวงจิตส่วนลึกอยู่ตลอดเวลาเหมือนมหารฤาษีโกนธัญะมาคอยกระซิบบอกตลอดมันรู้สึกว่าจะประสานกันได้กับจุดหมายที่ลุงอินบอกให้เรารู้กันล่วงหน้า ถ้าไม่พบรอยนี้ก่อนนุงอินบอกว่าเราจะมุดลอดเข้าถ้ำถ้ำอะไรนะไหนบอกอีกทีสิพี่ชายและเพื่อนฝูเงียหูฟังหล่อนอย่างสนใจเป็นพิเศษนั้นอินบอกมาเสียงเบาวๆว่าถ้ำนาคราชนหญิงหญิงสาวยิ้มขึ้นขึ้นดวงตาเป็นประกายประหลาดน่ะเห็นไหมแม้แต่ชื่อของถ้ำ มันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าถ้ำของอะไรและทำไมถึงมีชื่ อ, อยังงั้นเอาละ่ะเราจะมาพิสูจน์กันอีกทีลุงพาพวกเราทั้งหมดไปที่ถ้ำที่เป็นจุดหมายนั่นเถอะถ้าหากสิ่งที่เลื้อยมาเป็นไฟตลอดเส้นทางนี่มีรอยเลื้อยเข้าไปในถ้ำนั้นก็ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราเห็นร่องรอยอยู่นี่คือพญานาตแน่ เ, เราจะไปดูที่ถ้ำกันได้แล้วแต่แต่นานอินอยากจะถอยหลังกลับอ้อมไปทางซ้ายมือของเชิงเขาตามที่นายหญิงทวงแต่แรกดีกว่านะเราเห็นรอยเลื้อยของไปแบบนี้แล้วจะไปตามรอยเขาอยู่ทำไมเกิดภัยพิบัติขึ้นนานอินพูดอ่อ ย, ออยแต่ดารินสันสีสักรุ่งทาไมตามไปดูให้รู้ชัด เราก็เก็บความสงสัยไว้อยู่นั่นเองไปเถนะลุงถึงแม้ฉันจะไม่เก่งทางไสยศาสตร์เท่าลุงแต่ฉันก็มีพระพุทธคุณซึ่งเหนือกว่าไสยศาสตร์เป็นเครื่องคุ้มตัวแล้วก็เชื่อว่าจะคุ้มครองพวกเราทั้งคณะไว้ได้ด้วยเราไปดูให้ชัดว่าเขาบ่ายหน้าเข้าไปในถ้ำนักราชจริงหรือเปล่าถ้ามีรอยว่าเขาได้เข้าไปในนั้นเราก็ค่อยปรึกษากันใหม่ ว่าจะหาทางหลีกเลี่ยงไปทางด้านไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้าไปในนั้นเราก็จะเลือกเข้าไปในท่านนั่นเองนะแพนชดกับทุกคนว่างไงแพนเท่าขอความเห็นไปยังทุกคนก็ทดลองทําต้านนายหญิงว่ากันแล้วกันฉันก็อยากจะดูทิศทางการเลื้อยไปของสิ่งประหลาดนี่เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีจิตใจเป็นศัตรูหรือคิดจะลองดีต่อต้านอะไรเขา เราเพียงแต่ต้องการรู้เท่านั้นเองอนุชาวราฤทธิ์เป็นผู้ตัดสินใจเชตาพยักหน้าลงอย่างง่ายๆชยันจบมือขึ้นเหนือสีสะสวดพระคาถาชินบัญชรจบบทแรกกระท่อนกระแท่นพึนพรรมพำอยู่ในลำคอเท่าที่พอจะจำได้ส่วนดารินมั่นใจในอำนาจจิตของหล่อนอย่างเต็มที่ถ้าการติดตามราพินในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งวาระสุดท้ายของชีวิตหล่อนก็ยอมมานานแล้วภาวนาสวดแผ่เมตตาให้แกสัพสัตทั้งหลายรวมทั้งอินพรมยมยักษ์และสัพสิ่งในอบายภูมิตามที่ระพินได้เคยครอบไว้ให้เมื่อทุกคนพร้อมหล่อนก็หันไปร้องสั่งเจ้าด้วนทันทีด้วนฉันขอสั่งให้เธอนำหน้าไป นำไปที่ถ้านาคราชแต่ถ้าเธอจะไปไม่ได้ก็ขอหยุดลงในทันทีแล้วไปอยู่ข้างหลังส่วนฉันจะนำเองเข้าใจไหมคราวนี้เจ้าด้วนดูเหมือนจะเข้าใจได้ดีที่สุดมันหมุนตัวออกเดินทันทีโดยเทียบขนานไปกับรอยการไม้เป็นทางประหลาดของตาเถาวันขนาดใหญ่นั้นไม่ยอมเข้าคิดเหมือนกัน แลละอ้อมไปทั้งคณะออกเดินตามไปทันทีคราวนี้ไม่มีใครมายับยั้งดารินได้อีกแล้วหลอนออกเดินตีคู่ไปกับเจ้าด้วนมีหนานอินและอนุชาประกบติดไปเบื้องหลังอย่างกระชันชิดถายไม่ผิดหรอกนายชดุดทางเลื่อนมันายหน้าไปทางปากทำหน้าคราชจริงๆเสียงครูพรานกระซิบกับคุณชายเบาที่สุด อนุชาไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นก้าวเนิบเนบไปด้วยสติกำลังใจที่อยู่อย่างพร้อมมูลเยี่ยงนักพจนภัยที่ดีเยี่ยมที่น่าขนหัวลุกมากไปกว่าเห็นรอยไหมเป็นฐานจากเถาวันแห้งขนาดใหญ่นั้นก็คือบางตอนเป็นที่โล่ง ม, มีแต่ยอมหินรอยไหมชนิดเดียวกันนั้นทาบทับลงไปบนหิน แสบสีสันของหินตามธรรมชาติบริเวณนั้นกลายเป็นดำขมราวกับใครเอาเครื่องพ่นไฟมาฉีดไว้เป็นแถบกว้างประมาณสองเมตรครึ่งไอที่เห็นและเข้าใจโดยอุปประมาณกันไว้แต่แรกว่าราวกับใครมาลากท่อนซุงที่ไม้ติดไฟผ่านไปนั้นเป็นการคำนวณคาดคะเนต่ำกว่าสภาพความเป็นจริงใช่แล้วเพราะจากหลักวิชาฟิสิกส์ที่ทุกคนเคยเรียนผ่านกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะด้านการทหารก็ดีหรือการแพทย์ก็ดีพอจะบอกได้ว่าระดับความร้อนมันจะต้องรุนแรงไม่ต่ำกว่า 2,000 องศาเอแน่นอนทว่าก็ยิ่งเป็นที่น่าแปลกเพราะความร้อนมากมายระดับนั้นมันจำกัดแวดวงอยู่เฉพาะตำแหน่งที่เจ้าสิ่งนั้นท่าตัวลงไปเท่านั้นไม่ได้เปลง่งแพร่แผ่ออกไปในรัศมีรอบด้านหาไม่เช่นนั้น ป่าเถาวัล์แห้งทั้งป่าจะกลายเป็นทะเลเพลิงไปในทันทีไม่มีใครปริปากหรือแสดงความเห็นใดๆเลยตามระยะทางที่เดินตามการนำของเจ้าด้วนไปแล้วชั่วไม่นานตามทางที่เดินตีขนานคู่เส้นทางเลื้อยไปนั้นทุกคนก็คลางออกมาอีกอย่างไม่รู้ตัว เมื่อมาเชิญหน้ากับปาฐานดำเกรียมไปหมดทั้งบริเวณเบื้องหน้าอนาเขตไม่ต่ำกว่าสองร้อยตารางวาซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นกอเถาวันทึบอันขึ้นปิดบังอยู่หน้าเวงปากทางเข้าของโพรงอันทะลุเข้าไปใต้ขุนเขาใหญ่ปากถ้ำนากรราชใช่แล้วแต่ป่าหน้าปากถ้ำไม่หมดเลย เสียงของนานอินอุทานออกมาตาทั้งสองที่จ้องออกไปลืมโพลง่งเจ้าด้วนหยุดชะ ง, งักและไม่ยอมเดินต่อไปชูงวงขึ้นส่งเสียงร้องแอะออกมาเบาๆกายของมันสั่นเทิมดารินตบเบาๆลงที่ขาหน้าของมันเหมือนควานที่ปลอบช่างเลี้ยงแล้วหยุดพิจารณาดูปากทางเข้าประหลาดซึ่งมีขนาดสูงราวสี่เมตรและกว้าง เป็นรูปวงรีคล้ายคไข่ตั้งขวางอยู่นั้นประมาณแปดเมตรอันจักว่าเป็นช่องทางขนาดใหญ่พอสมควรนอกจากซากของพืชพันธุ์ที่เคยขึ้นอยู่จะกลายเป็นดงถ่านไปหมดแล้วหินทุกก้อนบริเวณปากทางเข้านั้นก็ยังเป็นรอยถูกเผาไม้เกรียมไปหมดคล้ายๆกับว่าถ้าแม้ใช้อะไรแข็งแข็งกระทุง้งมันก็แทบจะหลุดทลายออกมาเป็นกระบิ่ ไอความร้อนเรากลมพัดผ่านเตามหายักษพัดออกมาวูบจากปากถ้านั้นสัมผัสกับร่างกายของทุกคนเป็นระยะระยะหมายความว่ายังไงกันนี่ครั้งแรกเป็นรอยไหมเป็นทางมาเฉยๆแต่พอจะผ่านเข้าปากถ้ำป่าเถาวันหน้าบริเวณปากถ้ากลายเป็นถ่านไปหมดแล้ะยังก็มีใครมาเผาไว้ ชยันเอ่ยขึ้นเสียงแหบแห้งระอุไอร้อนจากดวงตะวันเบื้องบนยามบ่ายก็ดีความร้อนลึกลับที่โชยเป็นระลอกออกมาจากปากถ้ำก็ดีทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกไฟอันมองไม่เห็นเปลวถ้าสมมุติฐานเกี่ยกัสังหาที่ลุงอินบอกไว้เป็นเรื่องจริงเชถาเอ่ยขึ้นช้า ใช้ผ้าขนหนูพันคอเช็ดเหงื่อบนใบหน้าครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็น่าจะแปลว่าก่อนที่เขาจะเข้าถ้าใต้ภูเขานี่ไปจะต้องเปลี่ยรังสีในตัวร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมจนทําให้ไฟไม่เฉพาะที่ขึ้นบริเวณปากทางเข้าเหล่านี้จนกิ่งเถาวันกลายเป็นถ่านกินอาณาเขตบริเวณกว้างใหญ่ไปทั่วแล้วที่ปากทางถ้านั้น ก็ไม่เรากระโดนระเบิดนาปาลเอ๊เจอของแปลกที่ไม่เคยพบมาก่อนเข้าแล้วละสิเี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจใกล้ๆตรงปากถ้ำนั้นนะครับใครจะตามมาด้วยไหมเนี่ยอนุชาเอ่ยขึ้นเคร่งขึนก่อนที่ใครจะเอ่ยหรือขยับขยื่นตัวยังไงดารินก็ขับขึ้นมาโดยเร็วเดี๋ยวก่อนค่ะพี่กลางหยุดชั่งใจสักนิดเถอะ สังเกตดูแม้แต่เจ้าอ้วนเจ้าด้วนยังไม่กล้าเข้าไปเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน้อยธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกชนิดมันก็กลัวความร้อนกลัวไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันถึงไม่กล้าเข้าใกล้แต่เราเป็นคนมีสตินึกคิดมีการอย่างเทียบถึงอัตราความร้อนที่กําลังเผชิญอยู่ได้ว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายไหมและถ้าขับขันเราก็พอจะถอยยกทัน อนุชาบอกมาอย่างคนบ้าระห่ำในป่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยยั่นต่ออะไรเลยสักอย่างและดูจะกล้ากว่านานอินซะอีกถ้างั้นขออน้อยถามอะไรลุงอินสักสองสามคำแล้วกันพี่กลางดารินพูดมาโดยเร็วแล้วมองไปทางครูพรานผู้เฒ่าอันยังยืนตัวแข็งอยู่เลี่ยงเข้าไปจนชิดแกลุงแน่ใจใช่ไหมวันนี่คือถ้านาคราช ใช่แน่นายหญิงแต่ตอบมาเกือบไม่มีเสียงฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อถ้ำนี่ลุงไปได้ชื่อนี้มาจากไหนพระทุตุงที่เป็นอาจารย์ของนานอินสิบอกลุงเคยบอกว่าลุงเคยผ่านลอดเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนแล้วและมีทางทะลุออกไปได้ถูกต้องไหมลุงนันอินพยักหน้า หญิงสาวถามต่อทันทีแล้วนานเท่าไหรแล้วที่ลุงเคยผ่านเข้าไปในถ้ำ น, นี้แล้วเคยผ่านเข้าออกมาแล้วกี่ครั้งนานอิงจำไม่ได้มันนานมาแล้วไม่ต่ากว่ายี่สิบปีในสมัยที่เคยพบแง่ทรายตอนเป็นเด็กเล็กๆ เ, เดินหลงป่ากับแม่ของมันนั่นแหละก็เคยอาศัยผ่านเข้าออกเพื่อย่นทางครั้งเดียวเท่านั้น ดารินพยักหน้าในสมัยนั้นนะ่ะป่าเถาวันบริเวณปากถ้ำนี่เป็นยังไงมั่งลุกเคยพบมีรอยไม้ดำเป็นฐานอย่างนี้ไหมนั้ น, นอินสั่นหัวไม่มีนาหญิงป่าเถาวันยักษ์แต่ปากถ้ำสมัยที่นา้นอินผ่านเข้าออกก็จะทึบหนานแน่นปิดบังซ่อนปากถ้ำเอาไว้นานอินผ่านเข้าออกครั้งเดียวก็จริง แต่ก็เคยเดินเฉียดผ่านด้านนอกอยู่สองสามครั้งก็อย่างที่บอกไว้บางฤดูมันเป็นเถาวรขิวชะอุ่มเต็มไปด้วยใบสดถ้าฝนตกชุกแต่ถ้าหน้าแรงมันก็ตายซากอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่เคยมีไฟป่าเกิดขึ้นเลยคราวนี้จะขอถ า, ถามถึงภายในบริเวณตัวถ้ำมังงะลุสภาพโดย ท, ทั่วไปยังเป็นยังไงลูก ก็เป็นธรรมธรรมดาโคดเคี้ยวมีทางแยกไปหลายทางบางทางก็ตันบางทางก็ทะลุโลวกได้ถ้าเลือกทางถูกไม่เกินสองชั่วโมงเราจะโลวกตรงรอยบรรจบของหุบเขาสองลูกบริเวณหนึ่งข้างในผนังบางแห่งมีหินสวยๆเกาะอยู่เหมือนเพชรนินจินดา บางแห่งก็เป็นหินดำเหมือนกันนินอากาศข้างในค่อนข้างร้อนอ้าวมากผิดก็ะทำอื่นๆที่เข้าไปข้างในมันมันมกจะเย็นร้อนขนาดไหนลุงเหมือนที่เรายืนกันอยู่ปากทางนี่ได้ไหมดารินซักละเอียดยิบขณะนั้นทุกคนยืนเผชิญอยู่หน้าปากถ้ำห่างประมาณยี่สิบเมตร ก็ไม่ร้อนถึงขนาดที่เรามาพบวันนี้หรอกนายหญิงแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้นายหญิงกับทุกคนฟังให้ดีนะมันมีเสียงคล้ายๆอะไรเดือดคลักคลักคกัดังออกมาจากในรูถ้าไม่ดังนักแต่ก็ฟังให้ดีตั้งใจฟังแล้วจะได้ยิงทุกคนกลั้นใจเงี่ยหู แล้วเชษฐาก็พยักหน้าบอกว่าเออใช่ใช่มีเสียงใครใคใครเคี่ยวของเหลวเหลวค น, คนๆนอยู่ข้างในทำแต่มันลึกมากนะแล้วพี่ตายด้ะถ้าไม่ใช่โภะบุลทานฉันรู้สึกจะได้กลิ่นโคลนไหมผสมกลิ่นกรรมถันโชยออมาจางๆนะทั้งหมดเงียบกันไปอีกพยายามใช้คาน้ประสาทเ ต, ต็มที่ เป็นจริงตามที่เชิฐากล่าวกลิ่นประหลาดอันมีกรรมฐานและแร่ธาตุบางอย่างโวยกลุ่นออกมาเป็นระยะระยะแล้วเมื่อจ้องสังเกตให้ดีจะมองเห็นหมอกไอบางๆลอยออกจากหน้าปากถ้ำด้วยช่องทางมุดลอดเข้าใต้ภูเขาไฟไม่มีปัญหา แค่ยันทำจมูกฟุตฟิตแล้วพุ่งออกมาแต่ปัญหามันมีก็ตรงที่ว่าสิ่งประหลาดน้เลื้อยผ่านเข้าไปได้ยังไงผู้ตั้งคำถามลอยๆคืออนุชาวราริกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ถ้าสิ่งนั้นมีาธาตุเป็นอักคีหรือาธาตุไฟอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ตัวเขาเองก็คือตัวไฟทําไมถึงจะเข้าไปในแหล่งไฟหรือแหล่งความร้อนไม่ได้น้อยหมายถึงสิ่งที่ลุงอินเรียกว่าสางหานั่นแหละพี่กลางจะเข้าไปสํารวจใกล้ๆใช่ไหมคะถ้าง่าน้อยก็ขอเข้าไปด้วยหล่อนกล่าวอย่างตัดสินใจเด็ดขาดพร้อมกับตัวเองก็ก้าวนําออกไปทันทีตรงเข้าหาปากทางเข้าอันเป็นโพรงดำเกรียมอยู่นั้นช้าๆ อนุชานานอินเทิาและชัยันก็ก้าวตามเข้าไปด้วยทันทีในขณะที่สั่งให้พวกลูกหาบรอคอยอยู่ตำแหน่งเดิมภายใต้การควบคุมของขยิงส่วนเจ้าด้วนก็ยังคงร่วมกลุ่มอยู่กับลูกหาบพวกนั้นไม่บางอาจพอที่จะย่างตามเข้าไปด้วยซึ่งดารินก็ไม่ได้เรียกมันอีกเลย 133ราชสกุลสาวเดินใกล้าปากถ้าอันเป็นรอยไม้เกรียมโปรงโล่งนั้นเข้าไปเป็นลำดับพักพวกด้านหลังรวมทั้งนนานอินกระชั้นชิดไม่กล้าเว้นระยะให้หลอนห่างแล้วยิ่งใกล้เข้ามาร่องรอยของการถูกความร้อนแผดเผาบริเวณโขดหินปากถ้าก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดชั่วไม่กี่อึดใจ ทั้งหมดก็เข้ามายืนแยกย้ายกันอย่างปราศจากระเบียบอยู่ยังเวิงถ้ำนั้นรอยไม้ไม่ได้มีเฉพาะพื้นหินหรือโขดและผนังสองฝั่งเท่านั้นแต่มันไม่ดำขึ้นไปจนถึงเพดานถ้ำด้วยเมื่อตางแงนเงนขึ้นไปสำรวจณนะตำแหน่งนี้เสียงที่มีลักษณะเหมือนของเหลวถูกเขี่ยวเดือดปุดๆอยู่ ก็ยิงแววออกมาจากภายในด้านอย่างชัดเจนเสียงมันดังพลุบพลับพลุบพลับสำเนียงพิกลท้ายโครนถูกนำมาเคี่ยวในกระทะขนาดใหญ่กลิ่นกรมมาถันยิ่งโชอยออกมาประก ร, ระทบคานประศาสแน่ชัดเกินกว่าที่จะคิดว่าเป็นอุปทาน ทั้งห้าคนช่วยกันกว่าตาสำรวจบริเวณที่ยืนอยู่รอบกายนั้นอย่างทีท้วนระมัดระวังขีดสุดไอสีเทาๆปนเหลืองระเหยบางๆออกมาจากซอกโพรงที่มืดแยกออกไปทุกทิศทางในตำแหน่งที่ลึกเข้าไปจากปากถ้ำนั้นให้ตายเหอะนั่นมันเสียงเลือดของเราว่าชัดๆผู้ที่ทำลายความเงียบขึ้นคือชยัน ดาริงยืนเอียงคอแม้มริมฝีปากคิดขณะที่มองไปทีละตำแหน่งของบริเวณแก่ ง, งแง่ขอบหินซึ่งล้วนดำไปหมดเีถาส ก, กิจถามนานอินว่านี่ลุงตอนที่ลุงมุดเข้าไปในคลั้งกระโนนเวลาผ่านถ้ำเข้าไปเคยได้ยินเสียงปแปลกๆเก่งที่เราได้ยินอยู่ในบ้างไหม แานเท่าสีหน้าไม่สะเบยนะักสั่นหัวดิกไม่เคยใหญ่ตอนที่น้านอินมุดทำนี่คราวกระโ น, น้นมันไม่มีเสียงเหมือนใครมาเขี่ยวกละลาแมอย่างที่เราได้ยินอยู่นในรอกแล้วมันก็ไม่ร้อนแถบดับจีดเหมือนตอนนี้ด้วยมันแค่อาวอา้าวผิดไปกว่าถ้ำอื่นบ้างเท่านั้นแหละแล้วตลอดเส้นทางในถ้ำพบเห็นสัตว์อะไรบ้างไหมงู แมงมุมทางข่าวรัศดรเลขครันอื่นๆเนี่ยอนุชาถามขึ้นบ้าง น, นานอินคงสันศีรษะอยู่เช่นนั้นไม่มีอะไรที่มันมีชีวิตใหนานอินพบเห็นเลยตลอดเส้นทางในถ้ำนาคราชนี่และเส้นทางเดินยากไหมลุงมีเหวอยู่ข้างในมักหเปล่าอดีตพานชดถามต่อไปก่อ ก็มีหลุมลึกหรือไม่ก็เหวเป็นบางตอนนะในชุดหลายครั้งที่น้านอินต้องค่อยๆไต่เลียบเลี่ยงเหวในธรรมไปแต่ก็ไม่มากนักตอนนั้นใช้แสง่ายสองทางบางระยะก็สว่างพอมองหินได้จากรอยแตกของปะหนังมีแสงสว่างหลอดเข้ามาแต่จะเป็นแสงตะวันหรือแสงอะไรนานอินก็ไม่รู้ละ อนุชาหันมาทางพี่ชายกับเพื่อนกล่าวเสียงแผ่วต่ำเสียดายนะที่เราไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาอย่างเมมาด้วยในครั้งนี้วินะนั้นเราจะสันนิษฐานอะไรได้มากกว่าที่พวกเรากําลังพยายามคิดอยู่นี่แต่จะยังไงก็ตามจากสภาพที่เห็นมันก็ไม่ผิดไปจากที่ยืนยันว่าตะกี้นะครับเสียงเดือดเป็นจังหวะช้าๆที่เราได้ยิน ก็น่าจะเป็นเสียงหินหลอมละลายของลาวาไม่ก็โคลนที่อยู่ลึกเข้าไปสมัยก่อนน่ะที่ลุงอินเดินผ่านเข้าไปนั้นมันยังไม่เกิดความร้อนขึ้นถึงขนาดนี้แต่จึงบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ระยะเวลามันก็ผ่านมานานแล้วความระอุจะกใต้พิภพดิมิฉะนั้นก็ภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของโพรงถ้า น, นี่แหละอันเป็นตําแหน่งเขี่ยวเดือดของมัน แล้วชยันบุ้ยปากไปรอบๆตัวแล้วชี้มือไปยังบริเวณปากเถาววันที่มอดไหมเห็นจุดอยู่เบื้องนอกแล้วรอยเผาไหมขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี่แหละเป็นไปได้ไหมที่ว่าลาว่าบางส่วนเกิดความร้อนขึ้นเต็มที่ก็เลยทำให้ปากถ้าและปา่ะปาเถาววันใกล้เคียงอ่ะไหมไปหมด ทุกคนล้วนเต็มไปด้วยปริศนาที่พยายามตีความดารินผู้สงบพินิษดูนิ่งอยู่เอ่ยเป็นประโยคแรกนับตั้งแต่เข้ามายืนอยู่ณที่นั้นว่าการความคิดของน้อยนะคะเข้าใจเสียงลั่นเหมือนของเหลวเดือดที่เราได้ยินอยู่นี่มันน่าจะเป็นเพียงแค่โคลนเดือดใช่มากกว่าที่จะเป็นลาว่าเพราะถ้าเป็นลาว่า เราจะไม่สามารถเข้ามายืนกันอยู่ตรงปากถ้ำนี้ได้เลยแม้มันจะยังไม่ทะลักไหลบ่าออกมาก็ตามและมันก็ยังไม่ได้ไหลออกมาเพราะไม่มีร่องรอยเลยส่วนรอยไหม้เกรียมทั้งปากถ้ำและปา่าเถาวัล น, น่าถ้ำมันก็น่าจะเป็นจากการแผ่รังสีในตัวเองของสิ่งประหลาดที่เราตั้งสมมุติฐานกันว่างูไฟหรือนาคีเสียมากกว่า คือก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในถ้าอันเป็นถิ่นของตนก็ปล่อยตอมเคมีอันร้อนแรงออกจากตัวเต็มที่เลยทำให้บริเวณนี้มีรอยลุกไหม้ดำเกรียมมากกว่ารอยที่เห็นเป็นทางเลื่อยมานายหญิงน่าจะเดาถูกนันอินสอดขึ้นในทันทีเพราะนันอินก็กำลังคิดอยู่อย่างงั้นเหมือนกันเพียงแต่ยังไม่กล้าพูดแถานั้น แล้วแกก็ชี้มือไปอยังเส้นทางที่ล้ําลึกเข้าไปด้านในซีขวามือบอกให้ทราบว่าสมัยที่แกเคยมุดลอดตัดทางเข้าไปใต้ถ้านั้นแกใช้เส้นทางด้านนั้นเป็นทางเดินแผ่นไปในช่วงแรกดารินเริ่มเคลื่อนไหวตรวจบริเวณลึกเข้าไปอีกตามหน่อหินที่โผล่เรียงรายสูงสูงต่ำตๆและทุกคนก็เริ่มแยกกันออกตรวจสำรวจตรวจตา ตรงปากทางของถ้าประหลาดนั้นไปทั่วๆเขตหาควักเอาเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศขนาดกระเป๋าที่ติดตัวอยู่ออกมาตรวจดูเพื่อหาอุณหภูมิของบริเวณที่สำรวจกันอยู่และสกิดให้ชัยยันดูเข็มวัดอุณหภูมิขึ้นที่บอกถึง65สองศาซีนั้นเนี่ยแล้วมอยิ่งก้าวลึกจากปากถ้มเข้าไปเท่าไหร่ มาดวัดก็ค่อยๆกระดิกสูงขึ้นไปเรื่อยๆขณะนั้นเองดารินผู้เดินผ่านนอหินขนาดใหญ่ริมผนังด้านขวาก็อุทานอะไรออกมาคำนึงทุกคนหันขวักไปทันทีเห็นหล่อนกำลังจ้องอะไรอยู่ในลักษณะตะลึงระยะนั้นมันยังมีแสงสว่างจากเบื้องนอกสาดเข้ามาถึงพอจะเห็นได้ถนัดพอสมควรเพราะยังเข้าไปไม่ลึกหนะักทุกคนจึงพลูกันเข้าไปทันที แลต่างก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยอะไรกันนี่มองผา่ผาตัดถ้าไม่สังเกตให้ดีมันก็เหมือนท่อนหินที่ถูกไฟลนไว้จนดําเป็นตอตะโกอย่างที่เห็นอยู่รอบๆทั่วไปนั่นแหละแต่เมื่อพินิจจึงมองเห็นสันฐานเขาโครงเหมือนร่างกายมนุษย์มิฉะนั้นก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นโครงร่างกายมนุษย์นั่งเหยียดเท้าพิงหินอยู่ แม้จะถูกความร้อนแผดเผาซิจนกลายเป็นถ่านก็ยังพอสังเกตเห็นได้จากลักษณะรูปร่างขนาดของมันสูงใหญ่มากทีเดียวในท่าที่นั่งเป็นถ่านดำปีอยู่นั่นอย่างน้อยๆก็เกือบเจ็ดฟุตคนถูกไฟเผาอยู่ในนี้ชยันร้องขึ้นอย่างลืมตัว ถ่ามกลางคนอื่นที่จ้องตะลึงไปชั่วขณะสิ่งแรกที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดก็คือใครจากสันฐานที่ดูเหมือนมนุษย์อันดำปีเป็นตอถูกไฟล้นอยู่แบบนี้แล้ววูบคิดไปถึงคณะของระพินผู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่ดารินพินิตดูในความรู้สึกแตกแยกไปอีกอย่างหนึงหลอนขอดาบที่สะพายหลังหนานอินมาถือไว้ในมือทันที แล้วค่อยๆเคียดูบริเวณสีสันดำเหมือนฐานนั้นมันเปราะหักตกจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนบา่ากลิ้งลงกับพื้นทันทีหล่อนกัดริมฝีปากแน่นใช้ดาบเคีย่ยขูดและสับหาหลักฐานต่อไปแม้กระทั่งกะโหลกใหญ่โตขนาดเกือบเท่ากระบุงย่อมย่อมก็สลายตัวเป็นขี้เท่าไปอย่างไงไ่ายดายเพียงแค่หล่อนใช้ปลายดาบแสะเท่านั้น แล้วความรู้ในด้านมานุกวิทยาของหล่อนก็ให้ประโยชน์ต่อการสันนิษฐานได้ทันทีบอกทุกคนเสียงต่ำๆว่ามันไม่ใช่มนุษย์เป็นเปนที่เพิ่งตายและไม่ใช่คณะของราพินด้วยแต่เป็นซากมัมมี่บริวารของมันไรที่เราเคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละม่ความว่างไงท่านนี้นี่เป็นป่าช้าของนิทานครอย่างนั้นเหรอน้อย เชยันผู้เคยเข้าไปหลงติดอยู่ในสุสานของนิทานนครอันเต็มบริศัคมัมมี่นับอายุไม่ได้มาก่อนแล้วในครั้งก่อนนั้นถามมาโดยเร็วดารินสันสีสะัะไม่ใช่หรอกที่นี่ไม่ใช่ป่าช้าหรือแหล่งที่เคยเก็บศพของนิทานนครอย่างที่เราเคยพบกันมาแล้วแน่นอนแต่สาเหตุที่มีไอผีดิบมันั่งเป็นฐานอยู่อย่างที่เราเห็นนี่เข้าใจว่าซากมัมมี่นี่ ได้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นแล้วนำมาแอบซุกซ่อนอยู่ตรงนี้เพื่อเตรียมแผนการร้ายอะไรสักอย่างหนึง่งอย่างเช่นที่มันไปขนกันออกมาจากสุสานและแอบซ่อนกระจัด ก, กระจายไว้ทั่วแนวป่าพร้อมที่จะมีเวทมนตลีของมันไตรเข้าสิงบงการให้เคลื่อนไหวทำอะไรเหมือนหุ่นยนต์แต่ก็บังเอิญเหลือเกินนี่เป็นการคาดคะเนของฉันนะ บังเอิญที่มันนํำซากมาแอบซ่อนไว้ตรงนี้โดยยังไม่ทันเคลื่อนไหวไปไหนก่อนก็พอดีกับที่ไอตัวประหลาดนั่นเลื้อยผ่านเข้ามาในปากถ้ำรังสีความร้อนจากตัวประหลาดนั่นก็เลยแผดเผาทําลายซากนี่ให้กลายเป็นเท่าถ่านไปแล้วก็แหนะซากนี้สูญเสียไปแล้วใช้การอะไรไม่ได้อีกเพราะถูกความร้อนทําลายใ้รจะคิดยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันสันนิษฐานอย่างนี้แหละ ทุกคนอึ้งไปด้วยความอัศจรรย์ใจที่แทรกซ้อนขึ้นมาอึดใจหนึ่งเทถาก็ครางออกมาเบาๆว่ะก็น่าคิดนะถ้างั้นลองช่วยกันตัวดูให้ดีต่อไปสิมันอาจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะทั้งหมดแยกกันออกค้นหาอีกครั้งแล้วความจริงก็ปรากฏน่าจะตรงกับข้อสันนิษฐานของดารินมากที่สุด พระนันอินพบอีกซากหนึ่งและอนุชากชายันก็พบอีกซากหนึ่งรวมเป็นสามซากนั่งเป็นฐานอยู่ตามซอกมุมลับตาในบริเวณตากท้า น, นั่นเองผลปรากฏเหมือนกันหมดทุกซากอันเป็นไอพวกผีดิบบริวารมันไกรเหล่านั้นกลายเป็นท่อนทานไปหมดแล้วด้วยไอความร้อนระดับสูง เคตารี่บอกให้ทุกคนถอยออกมาพ้นบริเวณปากถ้าโดยเร็วแล้วมายืนจับกลุ่มรวมกันอีกครั้งไอ้ศาสตรพผีดิบของมันไจเหล่านี้ตามปกติแล้วมันมีความแกล่งเหนียวแน่นคงทนราวกังเง้าไม้หรือไม่ฉะนั้นก็ยางรถแทรกเตอร์ตามที่เราพิสูจน์กันมาแล้วขนาดจะเอาไฟเผาก็ยากที่จะไหม้ได้แต่พอถูกไอความร้อนลึกลับของตัวที่มันเลื้อยเข้าไปในถ้าเท่านั้น ไดเป็นเท่าฐานไปหมดเลยพี่ว่าน้อยน่าจะสันนิษฐานได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเลยนะมันรกระจายพลวางกําลังของมันซุ่มซ่อนไว้ตามที่ต่างๆสุดแต่ว่ามันจะสะดวกใช้อํานาจลี้ลับแบบพลื่นวิทยุเข้ามาบงการให้เคลื่อนไหวใช้งานยังไงแต่บังเอิญว่าขณะที่มันมาซุกซ่อนที่นี่อาจจะเตรียมเล่นงานคณะของราพินหรือคณะฝ่ายเราก็ตามก็พอดี มูไฟหรือพญานาคของน้อยเลื้อยผ่านปากถ้ำกันมาสกักก่อนซากพวกนี้ก็เลยกลายเป็นฐานไปเพราะอำนาจความร้อนที่เหนือกว่าความทนทานของซากพวกนี้จะต่อต้านได้อนุชาและชยันพยายามคดคิดหาข้อสมมุติฐานให้เป็นไปอย่างอื่นแต่ก็หมดทางที่จะโต้แยง้งก็ได้แต่ยืนนิ่งขึงกันไปหมด ดิ้นจะเอายังไงต่อก็เนี่ยลุงอินหนทางที่ลุงอินมามันกลายเป็นเส้นทางตายซะแล้วแล้วเราจะเสี่ยงเดินเข้าไปตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกหรือลุงคิดว่าเราจะพอเสี่ยงเข้าไปได้เอาใครจะเข้าไปก็เข้าไปเถิดแต่สำหรับน้อยนี่ขอถอยก่อนละ่ะก็เห็นอยู่ชัดๆแบบนี้แล้วยังจะคิดมุดเข้าไปอีกเหรอดารินเอ่ยขึ้นเฉถาและชยยันก็ไม่ยอมเห็นด้วยกับคำพูดของอนุชา เื่อถึงแม่นานอินเองก็คอตกพืพรรมพำเสียงแหบว่าไม่ละพรานชดสมัยก่อนนี้นานอินก็พอจะนำทางเข้าไปในถ้ำนี้ได้ยุรอกแต่ที่เราเห็นกันอยู่นี่ขืนดันทุรังเข้าไปก็ตายกันหมดเท่านั้นเพราะเท่าก็เข้าไปในนรกไฟชัดๆเส้นทางเดินโดยการนำของนานอินช ง, งักลงซะละ ในอุปสรรคที่คาดคิดไปไม่ถึงอะแล้วทีนี้พอจะมีเส้นทางอื่นเลี่ยงไปได้บ้างไหมเนี่ยนอกจากจะมุดลอดใต้ถ้ำนี้เข้าไปเชืาถามมาอย่างหนักใจบายหน้ามาทางนี้น้านอินก็หวังที่จะลอดถ้ำนี้เข้าไปนั่นแหละถ้าไม่เข้าทางนี้ก็จนปัญญาแล้วเพราะเส้นทางอื่นน้านินก็ไม่รู้ นอกจากจะเดาเอาครูผู้เท่าสารภาพตามตรงหน้าจอยีลงไปหินทนหนักว้ายังงี้ก็ยุ่งอะไรใช่ยันร้องออกมา